เป็นวันฟังธรรมะเป็นวันสร้างบุญสร้างกุศลในวันพระธรรมชวนาะทุกวันพระชาวพุทธอย่าได้ขาดประกาศตอนเป็นอุบาสกมัยสิอุบาสิกา <c oughs> ใช่ทำในประวัติพระพุทธศาสนาตลอดรายการมาตามอันดับแต่เราจะที่นาสุดดานมาก ว่าชายชาวพุทธมาจากกันเนิรเกิดมาจากทัพพาผู้มารดาตั้งแต่ปูย่ย่าตายายประเพณีของชายเดิมวันนับถือผู้ศาสนาเป็นาศาสนาประจําชาติทั้งบริโมพิธาชุมทานเจ้า ก, ก็ต้องเป็นผู้ธรรมมามากะในพระพุทธศาสนาด้วยนองเหือจากนั้นจะต้องมีสานสานุกระเตงสาสนุประทมเพกยกยองพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน ในหลักกามานานแล้วเรามีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมานานแล้วแต่เป็นหน้าชิ่ใดที่มีศาสนาประจำจิตประจำใจประจำหมู่ประจำชนะประจำครอบครัวของเราในบ้านมีทั้งพ่อพระแม่พระในบ้านมีทั้งอยู่เย็นเป็นฉกช่างความสนุกในชั้งคมด้วยธรรมะและคุณค่าชีวิตไม่พลาดผิดในชังคมนะั้น มียุ่ากน่าด้วยกันแต่เป็นที่เสียดายเสียใจกลับตรงในข้ามหน้ามือไปหลังมือคนยุกใหม่สมัยโลกาทิวัตแต่ไม่ทิวัตไม่พัฒนากลับเร็วลายในสังโคมมากมายจะเป็นหนุ่มและเป็นสาวหน้าขาวในสังโคมพาการเคารพผู้ใหญ่สองไม่มีระเบียบวินัย สมประเพณีวัฒนธรรมขคนชาติก่อสูญไปแล้วไล่ประเพณีไล่วัฒนธรรมกิจกรรมก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วดังที่เกล่าแล้ว <c oughs> นี่เป็นที่ถัดที่ไดเรามีของดีประจําชาติก็คือศาสนาประจำใจทำอะไรก็ประจําเหตุประจําผลมีก้อนมีปลายมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่การเคารพผู้ใหญ่เป็นระเบียบแบบแผนทําให้เราเกิดที่ไหน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 ไม่ทามัวเมาและมัวหมองละคลอง ไ, ไม่ได้ดางกล่าว เ, เลยไม่จะกิเลสนา น, นาประการท่านพุธาาทธศาสนาขึ้นกะชนทั้งหลายวันนี้เปิดวันพระเมื่อก่อนนี้วันพระควรจาแม่นจำตั้งแต่เป็นนักเรียนเด็กๆอาตมาผู้หนึ่งเรียนหนังสือวัดเพราะวันกนต้องเก็บเตะเขาจะทําบุญกันในวันพระเขาจะมีงานศพกานก็เก็บตเบตะเก็บโตะ๊ะเก็บกระดานดาํา มีงานบวชหน้าก็ต้องเก็บเตะจึงรู้ว่าเขาวันทําบุญวันพระเขามาทําบุญการข่าวขานแงโถงนาวัตฉาประชามเทศนามันฝังแน่นมาตั้งแต่เป็นเด็กเดี๋ยวนี้เด็กโตก็ เ, เป็นโ่มเป็นสาวหน้าเขาข่าวนสยงโคนไม่รู้จักทำเมอวันพะในปฏิทินไดอารี่ก็ไม่มีวันพะเนี่ยไม่มีข้ามขึ้นขามแล้วจันนกติบางเล่มไม่มีเลยไม่แต่วัน อภพิจารณาคารพูดประหารสุขสาววันที่หนึ่งถึงสิ้นเดือนนี่แหละมันก็กลับกลายไปตามสภาพแล้วอะไรจะฝังแน่นหนาะในชีวิตจิตใจคุณมท่าคงบมดโอกาสไปแน่นอนแล้วเลยคนโตไม่จำต้องเด็กแต่พ่อแม่ก็ยังลืมวันพระไม่รู้วันพระเขาเป็นวันอะไรวันข้างบุญทำให้เกิดพระให้ในใจ วันชะเราต้องเว้นสร้างความทั่วสร้างตัวให้ดีมีสังคมในจิตใจด้วยเมตตาปราณีอริเอื้อเฟื้อหากเหลือกันคอยดูกันเป็นสายสัพันธ์ของบุคคลผู้มีคุณธรรมและมีคุณภาพในวันชะช่วงมาก่อนเนี้ยปูย่ย่าตาชั่วยเรเรียนหนังสือทล่าวัดตลอดโดยการเส้นใหญ่เป็นโกลกอาศัยสลาวัตรเป็นสลาการก็เรียนต้องเรียนหนังสือที่สลาวัดเดี๋ยวนี้โรงเรียนก็แยกออกไป เด็กก็ไม่เข้าวัดพ่อพ่อแม่ก็ไม่พาเด็กมาวัดมาวาจะประการใดจะจำเป็นต้องมาเรียนหนังสือที่ศาลาวัดก็ต้องเข้าวัดแต่โรงเรียนไม่มีในวัดในศาลาวัดมันก็ออกไปนอกกระเด็นนี้เป็นการเทคโนโลยีในการปฏิบัติหน้าที่ยุคใหม่โลกาภิวัตน์จเจริญโลกหมุนเวียนไปสูงไวที่สุดและหมุนเวียนไปสู่ความตายไวที่สุดนี่แหละมันไวไวแวก แหวบไวทั้งฟาทั้งแรลกฟาแรลกแบบ ก, กแรกคนเราก็แปลดแรกคนเราก็ฉับไปฉับมาเฉียบไปเฉียบมาช้อปปิ้งที่โนนช้อปปิ้งที่นี่ตลอดรายการมันก็เสียบไวด้วยโลกาแปลว่าโลกมีความเจริญแต่พิวัต์ไม่พัฒนาตอนจเจริญแต่โลกแต่ไม่พัฒนาจิตใจจิตใจก็เร็วลงไปสู่ความโลภความโกรธความหลอ ตลอดรายการไหนเลยนะจะฟุตโฟโลยีที่จะแก้ปัญหาสร้างความดีในสังคมนั้นไม่มีแล้วคนเราขาดการน้ำใจขาดกำหนดจิตขาดน้ำใจชิตนะเป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยต่อเหตุการณ์มากมายเราท่านทั้งหลายถ้ามีน้ำใจนะมีน้ำน้ำใจน้าไม่แห้ง มีน้ำใจทั่วไปน้ำในองค์ในตุ่มก็ไม่แห้งน้ำปลาปลาก็ไม่แห้งมีแล้เราขาดน้ำเนอกน้ำในขาดน้ำใจเช่นชีวิตขาคู่ครกชีวิตเรายังอยู่ในสังคมทุกวันนี้นี้ประโยชน์เป็นประการได้อันสาุชนพุทธไวยาททั้งหลายโปรดทิศว่าโลกาภิวัตพัฒนาโลกพัฒนาโลกอย่างเดียวแต่จิใจมันแล้วลงไปไม่มีการพัฒนาจิต ชีวิตไม่แจสายชีวิตจะอาบเช้าอาบจนก็สวดมนต์ภาวนาก็ไม่เป็นเท้าเทศส่วนกุศลก็ไม่เป็นแผ่เมตตาก็ใช้ไม่ได้ทำไมโบราณเนี่ยเขาให้แผ่เมตตาตอนตื่นนอนจะได้โลกสว่างจะได้ไปทํางานโลกโลกวิทูรู้แจง้งโลกโลกจะได้ไม่ติด บ, บางอําพรางให้แผ่เมตตาตอนตื่นนอนว่าโลกมนุษย์นี้เต็มไปด้วยเมตตาลานีอดีเอื้อเพื่ อ, าา อ, อ, อขาเรเลือพออยู่กัน ตอนจะหลับจะนอนนอนหลับก็เป็นกุกตื่นก็เป็นกุกก็ต้องแผ่เมตตาก่อนนอนหลับนอนหลับก็ไม่จะอันตรายไม่ขวันร้ายแต่ประการใดก็เกิดผลงานขึ้นมาแต่ตัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นต้อนอันนี้มีความหมายมากเพราะงั้นการเจริญกรรมฐานก็ต่างต้องการมาปฏิบัติธรรมด้วยการพัฒนาจิตนั่นเองไม่มาจิต ด, ดีแล้วก็ต้องพัฒนา พัฒนาวิชาความรู้ในด้านการศึกษาทุกประการตามคําสอนของพระิุทธเจ้าแ่้มาพัฒนาการศึกษาดีแลบบ้วก็ต้องพัฒนาเศรษฐกิจประกอบอาชีพการงานอย่างสมส่วนและกลนกันแล้วต้องมีวิชาความรู้จะได้ประกอบอาชีพการงานด้วยการพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมต่อบไปวันนี้จะให้คติเรื่องโรกโปรดหลงให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเรามานั่งปฏิบัติกรรมฐาน กะได้แก้ไขปัญหาความโลภความโกรธความหลงพวกเราได้อย่างไรขอติดตามฟังศึก็จไตรณอกาสแบบนี้ขอเจริญพรเจริญสุขโดยทั่วกันณบัดนี้ตั้งใจฟังคําว่าเจ้าเราจะพัฒนาปรุงหนมีโลภมีโกรธมีหลงแต่เรามาเจริญสติปัฏฐานสีนั่นกรรมฐานจะรู้ว่าโลภโกรธหลงมันเป็นอย่างไรความโลภเยางายความโกรธป็นอย่างไรความหลงเป็นอย่างไรดังนี้ พระพุธาาทธเจ้ทรงสอนว่าโลเพนะชาเยเตอเตเตโพเสนะนิระยางคาเตอโมเหนะสิรัชานะคโยนีจิโลกรดหลงสามเรื่องเราที่มาเตรียงเวลาเรามาเจริญกรรมฐานจะพบว่าความโลภเป็นอย่างไรความโปรดมันมีลักษณะประการใดความหลงมงมงายเป็นปะการใดคนที่นักธรรมะเขาไม่หลงมงมงาย เขาจะไม่หลงเข้าไปสู่จุดมุ่งหมายเขาความคําว่างมงายมีความหมายมากดูในายพุทธทาสที่ลูกเจ้าเจ้าจสอนไว้ชี้แจงไว้ทุกประการเรื่องที่หนึ่งโลเพนะชาญเตนั้นเ ท, นะเ ท, เทแต่จะเกิดเป็นเ ป, นเปนลืคือเรามานั่งปฏิบตัติความโลกเกิดไม่กําหนดคิดกลับไปเกิดเป็นเปลืโกโชาก็ไปเกิดลงนรกโมหะ ก, ก็ไปเป็นสัตว์ิริชานชัดเจน ชายาเตเปตจะเกิดเป็นเปรตเหลี่อมนาบโลภะก็เพราะอาศัยความโลภเรื่อนที่สองโพเสนาะภิรยานคาเตจะไปสูนกก่นรกออกเพราะโสนะโภสะโภสะเรื่อนที่สามโมเหนะปีระฉานคะาโยนิจะเกิดเป็นปีระฉานก็เพราะโมหะความหลงเนื่องจากเรืเ่องที่สามนี้ล้วนแต่ให้โทษให้ทุกข์ เป็นอันมากดังนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคจะทรงสอนให้หละเสียงท่านทั้งหลายก่อนที่จะได้บรรยายความตามพุทธภาษิตนี้ทั้งสามนี้จะขอทือโอกาสทำความเข้าใจกับผู้ที่ฟังผู้ปฏิบัติธรรมเฉพาน้อยก่อนโดวยว่าทางบ้านเมืองทางราชการรัฐบาลก็จะจัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรมตามนโยบายพัฒนาจิตของของสาขารัฐบาล ส่งการให้ประชาชนเข้าหาธรรมะธรรมโมนี่เป็นแผนของรัฐบาลต้องการให้ปฏิบัติธรรมกระจุกประสงค์ก็เพื่อจะให้อ่าให้สิงนธรรมแท้หลายเข้าไปสู่จิตใจของประชาชนเป็นแผนานายของรัฐบาลก็ทิ้นอยู่เพราะถนักดีว่าโลกลมเย็นเป็นสุขเพราะศีลธรรมแต่เศรษนาลมนี้ของทางบ้านเมืองที่วางแผนรัฐบาลวางแผนอบรมนั้น จะส ม, มิทธิ์ผลได้ก็ต้องเพราะประชาชนสนใจต่อการปฏิบัติธรรมคือจะต้องปฏิบัติให้ครบวงกรทั้งสามคือตั้งใจฟังด้วยดีหนึ่งสองตั้งใจจำด้วยดีหนึ่งสามตั้งใจปฏิบัติด้วยดีเมื่อครบวงกรทั้งสามประการนี้แนละ้วก็จะกลับมาเท่ากับหลักที่ว่าสุดสูงกลางรัฐาเตปุญ่า คุณอาร า, า, า, าตาพัปและพระเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมเด็กเกิดปัญญาแต่ถ้าพลาดจากหลักเหล่านี้เนี่ก็จะกลับมาเข้าสู่กับหลักที่โบราณท่านว่าตักน้ําตักน้ําลดหัวเสาคนจะแพ้ตักน้ําลดหัวเสามีมากเหเกินน่าพิได้คือธรรมดาเสามันเป็นไม้จิตตายแล้วเสานี่ยมาเป็นไม้จิตตาย ถึงจะพยายามเอาน้ำลดให้มากเพียงใดก็ตามสาวนั่นก็ไม่มีวันที่จะผลิดอกออกใบให้ได้เหมือนกับผู้ที่ฟังแทศฟังธรรมโดยไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติแม่จะฟังตั้งร้อยการพันกันฟังสี่สัมพีก็เอาดีไม่ได้ไม่ได้เนี่ยแต่ก็หวังใจว่าท่านทัง้งหลายคงจะไม่ยอมเป็นสาวแน่แน่ารงไม่เป็นสาว จะต้องเป็นต้นไม้ที่พร้อมที่จะรับน้ำอยู่ตลอดเวลาใช่หรื อ, ร ไ, อไม่ประการใดถ้าท่านมา้องการรับน้ำมา้องการรับ พ, พ, พ, พ, พศพศเพทนาท่านก็เป็นไม้ตายเดี๋ยวนี้ไม้ตายมากไม้อยู่ในตัวคนทางนั้นไม่ใช่อยู่ที่อืน่นจะประการใดคนลดน้ำก็จะลื่นใจหายเหนื่อยทางบ้านเมืองก็จะปลื่มใจที่สมดังเจตนาลมของอัฐบาลบางที่กล่าวแล้ว หนึ่งละจากโลภะคือโลกเมื่อทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายแ้จิตตามฟังักัรตร้งสอบไปนี้ย่อๆในความในเวลาจำปัดวันพระอันดับแน่จะว่าโดยเรื่องที่ควรจะละได้ได้แก่โลภะ 1> <1> คือความโลภตามพระบาลีที่ว่าโลเพนะชาญเตเตเตจะเกิดเป็นเปลิดก่อเพราะความโลภ เมื่อเพื่อเดินยามความข้น้ก็จะขอทือโอกาสนําเรื่องมาเล่าย่อๆให้ฟังประกอบเสียก่อดตอนหลังจากได้อธิบายถึงลักษณะของความโลภว่ามีลักษณะอย่างไรเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มีมาในคัมพีภูมิวิลาลีมีใจความว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระนามวุ่ทะสะกระทัดอยู่ที่พระมหาวิหารพร้อมด้วยกระส่องเป็นจํานวนมากครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสาร ได้ถือกำเนิดเป็นขุนคลังทำหน้าที่จัดอาหารถาวายพระสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้ามีพระนามวัมปวุษะเป็นประธานแต่เนื่องด้วยพระสงฆ์มีจำนวนมากขุนคลังจึงไปขอร้องให้พวกญาติญาติขงตนมาช่วยการจัดอาหารแต่เนื่องจากญากบางคนโลภอยากโลภในอาหารแอบบริโภคอาหารก่อนพระสงฆ์บ้าง บางคนก็ส่งไปให้บุตรภรรยาสามีทางบ้านบัรเอาไปแบ่งให้กินก่อนที่จะถวายพระบักพวกนี้เมื่อตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในนรกเมื่อพ้อนจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นปารัดชักตูปชีวิเศษส่วนคุนคลางนั้นในชาติดท้ายก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ทรงเลี้ยใสยในบรวนรพระพุทธศาสนาได้ทรงบำเพ็ญบุญกุศลอยู่ตลอดเวลา และได้ทรงร้างวัดเวลุวันอวายพระพุทธเจ้าด้วยวัดนี้แลนี่แหละเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาเรียกว่าวัดเวลุวันคืนวันหนึ่งขณะที่พระองค์กําลังบรรทมหลับจิตอยู่ก็ต้องสะดุ้งตกกระไทยเืินขึ้นก็ได้ยินเสียงร้องอย่างโหยหวนของเปรตเพิงเรียกสเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่เ้าตรู่นำเอาเหตุการณ์ที่พระองค์ได้ประสบนั่นขึ้นทูลถามพระพุทธเจ้ารับสางว่านั่นคือเปรตมาขอส่วนบุญเพื่อความพ้นทุกข์ของพวกเขาแล้วพระองค์ก็ทรงแนะนำวิธีที่สามารถพระช่วยเปลต ส, สามารถจะช่วยเปลตเหล่านั้นให้พ้นทุกข์ได้โดยทรงแนะว่าขอให้พระองค์บาเพ็ญบาเพ็ญบุญ ถวายหวฌานมีข้าวมีน้ำมีผ้าเป็นต้นแล้วแล้วก็ตรวจน้ำอุทิศบุญไปให้แปลกตรงนั้นก็จะพ้นจากทุกทั้งหลายได้พระเจ้าพิมพ์ิสารจึงถือโอกาสอราราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเะสองไปฉันพตรตาหารที่พระราชวางังในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ถวายพระตาหารเสร็จแล้วถวายหจะตกปัจจัยเ ย, ยทานมีผ้าเป็นต้นแล้วทรงตรวจน้ำ ตามบทที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าอีทางโนยาธีมางโศตุสุภิตาโวนตุยาตะโยแปลว่าขอส่วนทานอันนี้ทรงสำเร็จแก่หมู่ญาของข้าพเจ้าโดยเถิดขอหมู่ญาทั้งหลายของข้าพเจ้าทรงเป็นสุขเป็นสุขเถิดในทันใดนั่นเองเปลืทั้งหลายเหล่านั้นก็แปลสภาพเปลี่ยนล่างเป็นเทพประบุ และเทพปทิดาสมบูรณ์้วยข่าวงามเปลือกนุ่งหอมและวิมานซึ่งล้วนแต่เป็นของเทพทั้งนั้นเรื่องที่แสดงมานี้สรุปแล้วก็มีคติเป็นสองอย่างคือหนึ่งแสดงโทษของความโลภและสองแสดงอนุภาพของบุญว่าสามารถจะช่วยผิ้ตายให้พ้นจากความทุกข์ได้สมกับที่ว่าปุญญานิปัโลกัสมิงปฏิชาวนติปาณินปานินบุญที่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลก ในโลกหนา้าแลดับของความอยากจะกล่าวถึงระดับของความอยากนั้นต่อแต่นี้ไปจะได้ชี้แจงถึงเรื่องโลภะความอยากว่ายาขนาดไหนจัดเป็นโลภะอยาขนาดไหนยังไม่ถึงขัานโลภะครูนาอยากเข้าใจไข่ห ว, วไปเลยว่าขึ้นชื่อว่าอยากแล้วจะต้องเซนให้เป็นโลภะไปเชียทั้งนั้นซึ่งยังมีบางท่านเข้าใจค้าเคลื่อนอยู่บ้าน ที่จริงความอยากนั่นที่เห็นกันในหน้ารู้ ก, กันทั่วไปท่านจัดไวถึง5ระดับดังต่อไปนี้คือหนึ่งละติแปลว่าความชอบใจ2อิจฉาแปลว่าความอยากได้ 3. มไม่ิจฉาแปลว่าความอยากใหญ่สีป่ปาปิฉาแปลว่าความอยากได้โดยวิธีเร็วเรวห้าโลทะแปลว่าอยากความอยากได้โดยวิธีทุจริตเหตุสิ่งทั มีห้าระดับอ้วยกันอยากยา ก, ยากจำไขว่ขวยอยากแปลว่าโลภะทั้งหมดไม่ได้ต้องแปลไปห้าระดับยังต่อไปนี้ละติความชอบใจอธิบายว่าละติที่แปลว่าชอบใจนั้นเช่นเห็นของ ส, สวยงามๆถูกอกถูกใจก็เกิดความชอบขึ้นตัวอย่างเช่นเห็นเสียภาสวยรถโดนคันงามๆก็ชอบใจนี่คือละติ แปลว่าลัตติสองอิฉาความอยากได้อิฉานั่นหมายถึงความอยากได้คืออยากได้สิ่งที่ชอบนั่นเองพึงเข้าใจว่าอิฉาในที่นี้แปลว่าความอยากได้อยากมีไม่ใช่ลิชยาอย่าเขา้าใจผิดตอนอิฉาตัวนี้ออตรีตอวิพัตัจจารุโฉแปลว่าอยากคืออยากมีไม่ใช่ลิษยา ซึ่งมาจากศัพท์ว่าอิจฉาทิศาคือเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ไม่หิจฉาความอยากใหญ่ไม่หิจฉาแปลว่าความอยากใหญ่ส่วนไม่หิจฉาแปลว่าความอยากใหญ่นั้นคล้องกับที่ชาวบ้านเรียกกันว่าคนมากๆคนรู้มากคนเห็นแก่ตัวคนเอาลัดเอาเปรียบบุคคลอืน่นออกแปลงอย่างนี้ ตัวอย่างเช่นคนที่เข้าไปรับแจกหนังสือในงานโดยตัวอย่างที่วัดไปรับแจกหนังสือในงานเวียนรับเสียตั้งสองสามเที่ยวนี่แหละคนมากมาเที่ยวเดียวยังไม่พอเอาสองเที่ยวสองเที่ยวไม่พอเอาสามเที่ยวคนมากมาเวลาทํางานก็เถียงให้เพื่อนทําต่ส่วนตัวเองเที่ยวไปเที่ยวมานี่คือคนรู้มากคนรู้มากคืออย่างนี้คนมากมาอย่างนั้น ไม่เหมือนกันคนรู้มาเนี่มาใช่อย่างนี้เวลานั่งในรถในเรือก็เอาของมาตั้งการท่าซึ่งแทนที่จะนั่งได้อีกสองสามคนก็พยายามนั่งเสียคนเดียวนี่คือคนเห็นกับตัวคนเอารัดเอาเปรียบเพื่อนเป็นอย่างนี้กันเนอปตาปิดฉาอยากลามกส่วนตาปิดฉานั่นแปลว่าอยากลามกคืออยากได้โดยวิธีต่าำๆเร็วๆ ใครจะปีเตียนใครจะดูเมนเหยียดหยามก็ช่างให้ตัวได้เต็มก็แลว้วแต่เช่นขอทานเขาเลี้ยงชีวิตทั้งๆที่ร่างกายกลสมบูรณ์แต่ไม่ยอมทํางานหรืออาชีพบางอย่างที่เรียกกันว่าขายตัวก็ความอยากลามกในท่านตาปิชานี้ท่ามายับยั้งไว้ปล่อยให้กําเนิดต่อไปก็จะกลายเป็นโลภะโลภะความอยากได้โดยวิธีชุติฤทธิผิสินธรรม อันว่าโลภานั้นหมายถึงว่าอยากได้ในทางชุกริลิศที่จินทำเป็นไปเช่นไปเทีเท่ยวรักขโมต้นสดมหรือชอบลาบางหลวงไปก่อนท่านทั้งหลายคึงทําความเข้าใจว่าความอยากที่เป็นโลภะนั้นจะต้องแทรกชุกริศดูในความอยากนั้นด้วยเสมอถ้าไม่มีเคิด้าไม่คิดจะทําในทางชุกิลิศแม้จะอยากเท่าไหรก็ไม่เป็นไม่จัดเป็นโลภ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 เลยพลอยทําให้สมบัติเป็นวิบัติไปก็มีตัวอย่างครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่และลูกสาวต่อมาพ่อตายไปเกิดเป็นเป็นหงทองไฟทางครอบครัวก็ยากจนลงทุกทีหงทองสงสารจึงอุตสาห์ไปสลัดขนให้ข้างราหนึ่งขนแม่ลูกก็ได้อาศัยขนทองคํานี้ขายพอประทังชีวิตติดมาไปหลังแม่ก็เกิดโลก มาเห็นว่าถือหวัวทองมาสลัดขนให้ข้างละหนึ่งขนนั้นน้อยไปไม่พอตั้งตัวจึงศึกษากับลูกสาวแต่ลูกสาวพักคานไม่เห็นด้วยแต่แม่ไม่ฟังเสียงวันหนึ่งเมื่อหัวทองมาสลัดขนให้ตามที่เคยปฏิบัติมาแม่ก็แอบจับแล้วก็ถอนขนจนหมดตัวแต่น่าเัยจันขนเหล่านั้นแทนที่จะเป็นทองคากลับกลายเป็นขนธรรมดา จึงเอาขังไว้โดยคิดว่าเมื่อขนห่อขึ้นมาใหม่คงจะเป็นทองตามเดิมแต่อริจังเอยทุกขังอนัตตาเอาเป็นอย่างที่เธอคิดไหกเพราะเมื่ อ, อขนห่อขึ้นมาใหม่ก็เป็นขนธรรมดานี่แหละตำราที่ว่าโลกมากลาพานคนชอบโลกมากก็เกเกินยุคใหม่สมัยมีวิธีปฏิบัติเพื่อลดความโลภทำอย่างไร ท่านที่ได้ฟังตัวอย่างนี้แล้วควรพยายามลดความโลภลงเสียบ้างโดยวิธีมั น, ม, นมันเสียสละให้ทานมันให้ทานมันทำบุญท่านว่าคนที่สมบัติมากๆนั้นใช่ว่ามีความสุขเสมอไปบางทีทุกข์กว่าคนจนเสียอีกก็ต้องเป็นเหยื่อสมบัติกลัวโจรผู้ร้ายกลัวไฟไหม้จะไปไหนก็ไม่สะดวกภาวะผวาห่วงหน้าห่วงหลัง คนร่ำรวยบางคนไม่มีเวลาร้องเพลงร้อพลิศแต่จะหาเงินท่าเดียวเรียกว่าหอมไม่เต็มพอไม่มีความจริงถึงจะมีบ้านใหญ่โตสักเท่าใดที่นอนจริงๆก็แค่สื่ศอกเท่านั้นเองอาหารก็แค่กินเดียวถึงจะมีสมบัติลนฟ้าตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ช่้งหนึ่ง้ารัฐบาลรารัฐบาลเสีละได้ ท่านได้แสดงธรรมถวายพระเจ้าโกรับพรยะตอนหนึ่งว่าคูโนโลโกโอะติตโตตันหาทาโซแปล ว, ว่าสัตว์โลกมีใจพร่องอยู่เป็นนิสเป็นท่าแห่งปัญหาท่านผู้รู้ท่านจึงเตือนคนที่โผมไม่เต็มว่าความไม่พอจนเป็นคนเฉนพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การ จนคิดอ่านแก้จนไปคนพอที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือวิธีบรรเทาความโลภให้แก่เราได้แต่ัะทีสองละจากโทสะโปรดความโปรดนี้จากนี้ก็ถึงอันดับที่สองอันว่าโดยโทสะตามบัตบาลีที่ว่าโทเสนทนะิรายางขัดเสีบแล้วว่าจะไปนรกอ็ระโทสะเรื่องที่จะนำมาเล่าประกอบนี้มาในคำพีธรรมบทขุทจิการ เร า, าทั้งนายพรานชื่อโกกะเช้าวันหนึ่งเข้าไปสู่ป่าพร้อมดูกับสัตว์บังเอิญไปสวนทางเข้ากับพระเถระที่กําลังบิณฑบาตอยู่นายพรานโกรธมากเพราะถือว่าเป็นโชคร้ายพราโกรว่าตลอดทั้งวันนายพรานไม่ได้สาปเลยเขาก็รีบกลับบ้านก็กลับไปก็สวนทางกับพระเถระลุนนั้นอีกโกรธเก่ายังไม่ชานหาโกรธใหม่ก็ โหม่ซ้ำขอมาอีกจึงดุกทุนักให้กับพระก็เถระละรีบเองเคลื่อนต้นมาแม้กต่ น, นั้นนายพลานก็ยังไม่ลดละเอาหอกแทงพระเถระทั้งเท้าซ้ายเท้าวขวาตลอดการแม้ท่านจะอ้อนวอนขอชีวิตนายพรานก็ไม่ฟังเสียงท่านได้รับทุกข์ทรมานเจ็บปวดจนขึ้นสติจึงจะขอจึงนนละของท่าน คือจีวรอของท่านก็หลุดล่างลงมาคลุมร่างของนายพลพอดีพอพอดีสุนักก็เข้าลุกกัดกินเนื้อเหลือแต่กระดูกพอท่านได้สติจึงให้สัญญาแก่สุนักพอมันรู้ว่าขัดผิดคนเลยพาก็วิ่งหนีก็ป่าไปพระเถระค อ, คอยคอยตายลงจากต้นไม้ด้วยความลำบากเป็นอย่างยิ่งแล้วไปเฝ้าทูลถามเรื่องนี้แต่พระพุทธเจ้าว่าสิงท่านจะา่าดึรืไม่ เขาองการว่าสิงเธอไม่ขาดหรอกเพราะไม่มีเจตนาเขาทําของเขาเองเวลานี้นายพลานก็ตายไปแล้วไปอยู่ที่นรกแล้วหน้บัดนี้อันหนึ่งโทษะหรือความโกรกนี้ซึ่งเป็นสิเลศเคลือนเดียวกันเพื่อเกิดเมื่อเกิดขึ้นกับพลายแล้วก็เหมือนกับโจนที่เขามาปล้นเอาขอความดีของผู้นั้นไปนเริ่มาแต่ทําจะทําให้ใจรล้าร้อน ระวนกระวายผิดบางสติปัญญางหมดความรู้สึกผิดความเห็นชอบเห็นดีผิดชอบชั่วดีลอ้อมข้างเข้าไปเป็นบังคับให้ทําในสิ่งที่ไม่ควรทํบาบังคับให้ในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดหาหากระงับไว้ไม่ได้ก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นถึงกับทำร้ายึ่กนการและกันผลก็คือชีวิตและคุกตลาด ความโกรธไม่เคยให้คุณประโยชน์แก่ใครเลยมีแต่ให้โอดให้ทุกข์กระฐานเดียวพิษของความโกรธยังทําให้ผิวผ่านเศร้าหมองทําให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีเสื่อมความเคารพนับถือทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับและเสียเยยสียประโยชน์คือเสียงของความเป็นชาวพุทธอีกด้ยวยท่านว่าชาวพุทธที่ดีนั้นยอมยอมไม่ยอมเป็นทาสของความโกรธ หากจะมีบ้างตามวิสัยของปุถุชนก็ควรเก็บไว้ในใจพยายามข่มไว้โดยขันติความอดทนที่กำหนดว่าโกรธหนอะโกรธเนอโกรธเนอคือคมสร้างสติให้เราเลิกอยู่เสมออย่าไปเกิดเขาอย่าไปโกรธตัวเราโกรธเขาโกรธเราโกรธเราโกรธเขาได้อย่างไรขันติทำโด้วยการกำหนดสมาทานจะเกิดไม่ตา เราระนับความโปรดได้เพราะอาศัยเมตตาปราณ น, นีอาลีเอื้อเพื่อขวายัวไปดูกันในคำพีรรธรรมาบทพุทธนิกายท่านเล่าถึงนางอุตตลาอุบาริกาที่ถูกนางสิรมาหญิงแทสยาที่นางจ้างมาเพื่อให้บำเนสสามีแต่นางเผลอตติเข้าใจว่าเป็นภรรยาของท่านเศรษฐีแล้วกาะกลับฤิ์หึงหวงเข้าไปตักนา้ามันที่กาลังเบียดลาบ ลงบนทุกข์สั้องนางอุตลาแต่ด้วยอํานาจเมตตาจากกรรมาฐานก็านางนางกรรมาฐานด้วยอํานาจเมตตาโดนบันดาลให้นางปลอดภัยและก็ไม่ไม่โกรธนางสิมาด้วยตามอย่างห้ามหญิงบริวารไม่ให้เข้าไปทําร้ายนางอีกด้วยเพราะคุณธรรมอันนี้คือเมตตานี่เองสึ่งทําให้นางสิริมาได้สำนึก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 ถ้าความโกรธใช้เมตตาธรรมตั้มมาปฏิบัติในการเจริญปฏิปัฐานทีเมตตาธรรมก็จะเกิดขึ้นจากท่านทั้งหลายามที่ความโกรธจะฆ่าเราเพราะท่านว่าโกทางคัตวาถุกครั้งเซติข่าความโกรธได้แล้วยองดูเป็นถูกชนนละทีที่สาละจากโมหะหลงทีนี้ก็ามาถึงอันดับสอันว่าด้วยเรียกโมหะ ตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นต่้งไว้ะคขั้งตอนโมเหนะหรืฉาณาโดนี้เรว่าจะเกิดเป็นสวพิาฉาญก็เพราะโมหะความหลงงมงายเพื่อเป็นหลักฐานจะขอยกตัวอย่างมาประกอบโดยนำเลี่ยงนางพุชาดามาเสนอพอเป็นอุทาหรนางเป็นภรรยาของนายมาทักมนบน้อยเธอเป็นคนรูปร่างสวยเธอเลยหลงในรูป สวยหลงผิดคิดไปว่าเธอเป็นภรรยาของนายมาทะมโน์ซ้ำเป็นญาติกันอีกด้วยฉะนั้นเมื่อสามีทำบุญภรรยาก็ได้บุญด้วยเข้าใจอย่างนั้นเธอจึงไม่สนใจที่จะทำบุญอะไรเลยทั้งๆ ท, ที่สามีอุตส่าห์ชี้แจงชัดชวนอยู่เสมอแต่ไม่เกิดผลด้วยเหตุ ด, ดังกล่าวมานี้เมื่อเธอตายแล้วจึงไปเกิดเป็นนาง น, นกยางอยู่ที่ซอกเขาอย่างหนึ่ง ส่วนมาครับวัสตะบทคือหนึ่งเลี้ยงบูบิดามันดาอย่างดียิ่งไม่หตุศกระกรรมลำบากจะประการใดสองเป็นคนมีคืเอเป็นมีคุณลักษอ่อนนอ้อมอ่อนหวานเคารพผู้ใหญ่ในตระกูลวงของตอนไม่ลบลูบุญคุณแต่ประการใดสามผู้จาไพเลาะอ่อนหวาน 4. ผู้สมานสามัคคีมยุโยงให้ใคลายแตกสัมัคคีกัน ถ้าไม่ก็นีที่เหีียวมันทําบุญทำทานแล้วหกมีกจะจะพูดจริงทำจริงเจ็ดไม่โกรธใครถ้าความโกรธได้ถึงจะโกรธก็ไม่ช้าก็าหายไป น, นี่เป็นคุณสมบัติเสระการของมาคาโมานบโนยเสรีการนี้เธอก็ได้ปฏิบัติตลอดชีวิ ต, ตและยังเป็นพัฒนารักษาความสะอาด สรางคโนนสร้างสลา ส, สำหรับให้คนภาคลิมทางโดยได้รับความร่วมมือจากหมุค่คลในครอบครัวและมิตสหายเป็นอย่างดีตลอดมาโดยอานุภาพแห่งบุญกุศลเหล่านี้เธอจึงได้เป็นเกไปเกิดเป็นพระอินทร์วรยเวยที่ะสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงข่าวคณะที่ทำบุญร่วมกับเธอ ก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์เช่นเดียวกันเมื่อพระเอินตรวจดูทิพประชมบัตทุกอางก็บริบูนดีชาตแต่นางทุชาดาตรงนั้นรัาทราบว่าบัตนี้เธอไปเกิดเป็นนางนกยางและองค์จึงเสด็จตรงไปแนะนำให้นางรักษาศีลห้าและเพราะอานิสงส์ศีลห้าปฏิบัติธรรม นางรักษาของผลให้ในชาติอุทายได้ไปเป็นอัคเกอธรรมเฮสีของจักรลินเทวลาดังที่กล่าวมาอันหนึ่งโมหะความหลงนี้ยังเป็นเหตุทำให้คนหลงทำกรรมหนักขึ้นถึงท่านอ น, อนอันตเรียกรรมได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ฆ่าภูมิบุงคุณได้ตัวอย่างประวัติของพระโมกขลานะในอนดีตสมัยเมื่อท่านเป็นชาวชายหนุ่ม ได้ภรรยาที่นิสัยไม่ดีขอยยุโยงสามีให้เกลียด บ, บิดามันดาซึ่งตาพิการบิดามันดาตาพิการด้วยความหลงภรรยาเลยลวงเอาบิดามันดาไปทุบเกในสาปากรรมอันหนักหนักนี้เอนติดตามท่านมาตลอดเวลาจนถึงชาติที่เป็นพระมหาหมุขภาณนะกรรมนั้นยังแขวมาอยู่ในรูปทั้งโซนห้ารอย มาฆ่าท่านจนเข้าสู่วิพานนี่แหละผลแห่งโมหะความหลงขึ้นชื่อว่าความหลงแล้วไม่มีดีทั้งนั้นไม่ว่าจะหลงรักหลงชังหลงลูกหลงหลานหลงสมบัติพระสถานหลงอำนาจวาสนาหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงความหลงเหล่านี้แหละทําให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมความแก่ลืมความเจ็บ ลืมความกายลืมบุญลืมกุศลลืมกระทั่งตัวเองท่านเปรียบคนหลงเหล่านี้ว่าเหมือนไก่ในเครงที่เขาขาังไว้เพื่อฆ่าเป็นอาหารแต่ไก่เหล่านั้นหารู้ไหมว่าทั่วเวลาไม่ชา้าก็จะต้องโดนถูกเชื่อคอเล็กไก่เหล่านั้นยังทะเลาะวิวาสจิกตีกัน ยังตป่งคอขันเอเอเอ๊ย e อยู่ความซ้ำเลิงความซ้ำลางอย่างพลิกขนองแต่ช่างเถอะนั่นเป็นเรื่องทัองกายซึ่งเป็นศาตร์วลชาชานไม่ได้ศึกษา เ, าเรียนอะไรส่วนคนเหานี้หนอผู้มากด้วยความรู้มากด้วยคงการเรียนก็ยังเต็มไปด้วยโลภะโธชา โมหะอย่างสมแพทย์เวทนายิงนักหนาหนอรรมโอสดเพื่อละความโรคความโกงไม่เกินการเจริญวิปัสนาสมถานเจริญสติปัฏฐานสีกายานุปัสนากายืนเดินนั่งนอนมีสติไว้พิจรณาเวทนาวอยาลงและก็โมหะเกิดขึ้นกำหนดผิดรู้กำหนดผิด มันจะหลงอมง่ายหลอดไปทั้งสามประการนี้ถึงจะได้ถอนหรือความธรรมโอสถก็เระพระเจ้าหรือการเจริญกติปฐานสีสามารถจะรูค้ความโลภความโกรธความหลงได้เราจะรลก้การไปถึงไหนจะโกรธกันไปถึงไหนจะหลงกันไปถึงไหนเพราะไม่ชาติต่างก็จะจากกันไปแล้วไม่มีใครจะอยู่คำฝ้าดอก ดังนั้นทรงมากันคุวยกันบรรเทาทิเลตทั้งๆด้วยมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานกันเฉยๆเราเจอที่สุดอะไรจะไีเท่าทานศิ้งลภาวนาทําให้จิตใจเบิกบานทั้งหลายทิเลตสามกองนี้จะได้ลดน้อยถอลงไปด้วยมันนึกถึงความตายไว้เสมอทันทั้งหลาย ได้ช่วยแกงแสดงมาในเรื่องกรรมฐานว่าความโลคความโปรดความหลงก็ตามความที่จะมีอยู่ในกุศลบุญญาลาสีแต่ท่านทั้งหลายก็ตามมาเจริญกรรมฐานสร้างสติัตมปัญญาอุกประการลมให้ใจเข้ารู้พองหนอยุกนอยืนนอห้าครั้งมีอะไรก็กำหนดโปรหนอ เสียใจหนอดูใจหนอตลอดเลยการเราจะได้เห็นแต่ความตายในชีวิตอย่างมั่นคงสาวรอผ่านศาสตร์ชาต้นอาช่างสะกูลศาสนาพระพรทะเยงแตงกอนไว้ว่าระลึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันาตาลรทำให้าหารหายสะดุง้งไม่ยุ่งใจ แต่ท่านทั้งหลายอันาการุชนภุธบริสัต์ทั้งหลายเวลาใดทำใจให้ของแคล่วเหมือนได้แก้มีค่าทูลาศีเวลาใดทำใจให้ลาขีเหมือนมะนมีแตกหมดลดราคาไอ้ความสุกทางใจนั้นหายากควมสวนมากไม่เจาะ้อกจากแหวงหารชอกแหวงหาแต่ความสนุกเพียงหูตามันจะพาชัิตูงให้ยุ่งใจ เนียท่านทั้งหลายเราผู้กรัทธาจอมปราดได้ะทานธรรมโอสดทิการเจริญจะกรรมฐานมีพุทธานุภาพธ้ามานุภาพยังานุภาพต้อหลับแก่โลกโลกโกรดหลงให้ประกดในอภินาปัตเวธนาคถาตอนหนึ่งว่าอ่าตอนหนึ่งมรณาทำมุมฮี เรามีความตายเป็นธรรมดามลณนนะังอนณสีโตห่วงพ้นความตายไปไม่ได้นี่คื อ, อยาอันวิเศษที่พระพุทธเจ้าจประทานไวน้ฉะนั้นจึงขอให้ท่านสาธ่ชนพุทธบริกักรทั้งหลายทั้งบรรพัทิพย์และขยัสอดโลรธได้นำยาขนาดนี้การเจริญสกรรมาฐานมาใช้แล้วโลกภัยไข้เจ็บท่านก็จะได้หาย โลภกายนอกโลกกายในทั้งโลกปลอดโลภปลอดโลภเรืกองโล้ปอดหงกิเลสสามประการนี้ค่อยคอนที่เราเบาบางลงและความเย็นเย็นเป็นสุขก็จะพลานังเกิดขึ้นสมดังความปรารถนาทุกประการดังอัตมาภาพที่แจงแสดงบรรยายมาเรื่องความโลภความปลอดหลงอดสมควรแก้เวลาคลอฤรูที่การลงคงไว้แต่เพียงนี้ เอวังก็มมือโพระกาลสนีตามอยากพระพุทธศาสนาท่้งสอนว่ายชัดเจนนวทานทุณภาวนามีการให้การรักษาสามระดับกันในการปฏิบัติธรรม การบริจาคทานของทายกทายิกาทายกทายิกาแปลว่าผูเ้เสียสละจะถุปัจจัยและกัยิยภมพอำมาถวายในถ้ำกลางสงฆ์หรือเสือสละทั่วไปในกางบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนาท่านรูดว่าทายกและทายิกา คำว่าทายะทายกิายกา น, านั้นเป็นผู้เสียฉละแล้วเป็นผู้ให้แล้วเป็นผู้เทื่อแล้วเป็นผู้ส ร, ร้างความดีให้ซึ่งกันด้วกันแล้วเรียกว่ทา ย, เยะเพื่อว่าทายิกาอย่างนี้เป็นผู้ให้ผู้เสียชละก็เรียกว่าทายกทายิกาเป็นต้น แต่การให้การช่วยการเส้อสละนี้ก็เรียกว่าการบำเพ็ญทานนั่นเองเยอะตัวอย่างเราจะทําบุญบ้านขอธุลิมคงคต่ประสงค์ให้ตัวเองจเจริญตกบ้านใหม่ก็ฉลองกันบำเพ็ญกุศลกันจต่ของบ้านนั้นก็เรียกว่าทายกไทริกาเป็นผู้ทําบุญเป็นผู้เส้อสละเป็นผู้ให้และเช่วย ได้อยู่ตัวเองแล้วก็ให้ทุ่งฉยาวัายกรรพยิกาเป็นต้นแต่ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธาาศ า, าสนาก็เรียกว่าอุบาสกเรืยกว่าอุบาสิกายอมปฏิบัติและรับสาวไว้พึ่งถึงอุโบสถในกำหนดองแาเทศกาลและอรมมบทสุดครับ จึง เ, เรียกว่าอุบาสกุบาสิการักฆ่าวิชิตจิตใจมีความหมายอย่างนั้นอุบาสกบาจิกานั้นรักษาศีลนักษาอุเบสถก็กววเรียกว่าการปฏิบททัติธรรมเนื้อธรรมะปฏิบัติหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวก็ถือว่าบวชเป็นการบวชเนื้อธรรมะปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติทรรมแล้วก็เรียกอุกบาสกบรจิกาแสดงตนเป็นอุบาสกาบ้างแสดงตนเป็นอุบาจิกาบ้างได้รับกรรมฐานแต่สมาทานศูนสมาทานกรรมฐานนั่นแล้วก็เอามาประพฤติตนและปฏิบัติธรรมกตนตัวเองก็มีอธรรมะมีอสูงสมาธิปัญญาอยู่ครบ เป็นการกําหนดุศเข้าสติปัญญาจเจ ร, ริญปฏิปทาสื่อมรรคปาลยยาศาสตร์สืก็มือสูงส ม, มาธิปัญญามืสญญาอสติสัมมาชัยยะควบคุมสุกไว้ให้ได้เมื่อควบคุมสึกไว้ได้ดีแล้วจะถือท่านหลายนั่นมีธรรมะแล้วมีการปฏิบัติปฏิบัติชอบแล้วเป็นมหาสุสัมแล้ว นั่นก็เรียกว่าองค์ภาวนาการภาวนาเนี่ยต้องการจะให้มันสุดขึ้นมาให้ใสายสะอาดในเรืยองสุดเรื่งใจมีประโยชน์ําหรับที่ปธิบัติธรรมมากไม่ใช่น้อยแต่การทำถวายช่างทานสังฆแล้วว่าถวายสงฆ์ไม่จะเจาะตรงกับภิกษุรูกหนึ่งรูปใดก็ห้ามไม่ได้ถวายไม่ข้ามสังฆการถวายสงฆ์ก็คือไม่เจาะตรง เลือกอยากสังฆก็นถาวายโดยเจาะทรงเลือกแบบุคคลิสุทานบุคคลิสุทานเนี่ยถวายแต่หน่วยเดียวและท่านเดียวองค์เดียวก็ได้ยุญไม่ใช่ว่ไม่ได้แต่ได้ไม่มากได้มากคือสังฆทานให้ทานทั่วไปไม่เกาะตรงยกตัวอย่างให้การเห็นสร้างถนนเสือนขาชนะประโยชน์ ขุดบ่อน้าให้เขาลากทานเพื่อไปไม่เจาะจงหรือสร้างโรงทานเป็นต่อนส่วนประโยชน์้นบ่อนพระพุทธเจ้าประโยชประช่าเป็นประโยชน์ขึ้่อนให้กระตางเรีงทานให้ทานเพื่อไปทุกอย่างตลาดกระทั่งเครื่องชนิ้นพิพาพรให้ทางข้้งทางปัจจุบันหน้าให้ยาจกยาจกวันมีพกเพื่อไโดยที่มาขอก็ให ทานบางอย่างไม่ขอก็ให้ทานบางอย่างขอถึงจะให้การให้ทานนี้จะตามขอสเลนพรท่านคือบาเกิดมาดิการทั้งหลายถ้าเราให้ของเขาไม่ดีไปเราจะได้ในของไม่ดีกลับมายกตัวอย่างอะตม า, านี่เองเดือดใหม่ๆมีผากลายอยู่สามกลาวายต้องตาไปแล้วก็ไม่สาบว่าพาไม่ขาด มันขาดมาจากร้านค้าน้องตากมม็ะห่มกระด่าแล้วเราไปบางสปรุนกลบมาตีข้างสีข่ขาวก็ได้พาขาดมาทุกครั้งอันนี้ทานก็เหมือนกันทานโดยเจตนาของท่านที่บริจาคของนั้นต้บริสุทธิ์ด้วย้งบริสุทธิ์ทั้งของเครื่องวัตถุพยทานต้องบริสุทธิ์ทั้งจิตใจด้วย ในเจตนาผู้ท่านก่อตอมบริสุทธิ์ด้วยหรือมาถวายครั้งนี้นั้นคำว่าบริสุทธิ์ความหมายของวัตถุทานนั้นก็ต้องบริสุทธิ์ได้มนาะด้วยความครอบธรรมไม่ย่ามาเดียวไปโกงใครเข้ามาทําด้วยความเหนื่อยยากถึงบริสุทธิ์ทานที่ให้แล้วบริสุทธิ์เจตนาก็ให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนแต่ประการใดรก็หมดจากเจตนาบริสุทธิ์ ถ้าให้หวังผลตอบแทนก็หมายความาเจตนาไม่บริสุทธิ์ต้องการได้ของให้เป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการค้าเป็นการค้าขายไปเลือกเปลี่ยนกันไปตามวัตถุของบุคคลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นอย่างนี้เลือกอยาคานปกติทานธรรมดาทานที่สูงกว่านั้นแล้วก็ให้ในหวังผลตอบแทน จะเอาไปชื้นไปทว้างอย่างไงก็ตามใจไหนมาบริจาคแล้วก็ชื่นใจดูใจบริจาคไปแล้วพนามบริจาคนี้ก็สบายโอกสบายใจหลังจากบริจาบแล้วก็ชื่นใจในทางการกุศลผู้คนบริจาบแล้วได้กระทําแล้วทานได้กระทําแล้วทั้งอดีตที่ผ่าน ม, มาเวลาอนาคตเราจะชะล่าแต่ชลา จะ เ, ยเลยหว้เปลือยไข้ประการใดก็ไม่ถึงทานว่าเราได้ทำบุญไว้ครั้งอดีตเมืม่อชาติฟังกอดตลอดรายการปัจจุบันนั้นเราก็ดีอกดีใจขึ้นใจื่วยบุญตัวสนที่เราทำชาตให้กับตอนเินประการสำคันนม่ถึงบุญนม่ถึงทานถึงจะภาวนาวัดแต่เราเคยมาปฏิบัติกรรมฐานบาเพ็ญศีลภาวนาและสาววอุโบสถ งดเว้นสิ่งชื่อลาสามานทั้งหลายจิตใจก็ใายใจสะอาดโดยสุดทานให้ท่านถึงจะบริสุทธิ์ด้วยทานบริสุทธิ์จิตยจากจุตก็บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์ได้ต้องสมาทานศีลบาเพ็ญศีลจิตจะสะอาดหมดจบได้ก็ต้ อ, องภาวนาจเจริญปถัมภ์ศรลกายกายเวทานาจิตทำทานเนี่ยมีสามประเททจิตการสาหรับทานปฏิบัติ ทานข้อตอนคือให้ดูเชื่อไม่จปลายให้ไปอย่างนั้นให้ไปหวังผลแล้วกาแทนได้บุญและกุศลให้กับตัวเราหรือให้เพื่อหวังผลจะแรกเปลี่ยนเป็สนต้อทานข้อดุจสอนอย่างกลางให้แล้วไม่หวังผลการแทนและไม่ต้องการอันใ ด, ดอยู่ต่อไปให้แล้วก็เลิกกันไป ไม่จดไม่จํำไม่จำไม่จดไม่จดไม่จำเพราะว่าทานนะั้นไม่หวังผลตอบแทนทานขั้นสูงทั้ ง, างภาวนาจากบำเพ็ญสุลภาวนาแล้วจิขก็ใะสะอาดบริสุทธิ์ทานก็บริสุทธิ์เจตนาออกมาก็บริสุทธิ์ถ้าจิตใสสะอาดถล้วนำมาบำเพ็ญสูงปฏิบกกัติกรรมฐ า, านจิตใจก็สูงขึ้นไปตามอยากทั้งทาน สามารถจะกจัดความขี้อวดตัอได้หวังผลไปสมรรคสผลจากสมบัตินิพพ์เรียกว่าสมบัติหวังผลไปถึงวัญสมบัติสุดมุ่งมากานานิพพานสมบัติเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเผยชาติเป็นประโยชน์สดนใหวังผลใดๆสร้างเครื่อนกระิ้นพิพาพรก็พอให้ไปได้ สร้างพระมากุดจะอยู่เดิมทุกกะกะพอให้ไปทุกสุง ท, ทุกอย่างให้หมดที่หวังผลพระโพธิญาณในนาก็ตระตารเบื้องหน้าต่อไปไม่จำเป็นต้องค่อยอย า, งยายนั้นเธอนในเนตรในยนาก็ให้เป็นทานได้ควักออกไปได้ืองจิตดองใ จ, ใใจใาอาศัยสะอาจก็สามารถให้ทานได้ เราตาทังสองข้าดแต่พระชาลีลกัญหาดวงศึกดวงใจนั้นคล้ายวักคุกเพื่อคุกคึกเรื่องสีวิชนนาคือแม่สมาสีก็สามารถให้ทานไปได้ช่วยดูดับอนนี้ทานท่านสูงที่สุดแนละ้วสร้างความดีหวังครับ ท, ทํามโทธิยานในานาคจกรการเบื้องหน้าสึกต่อไปทานจะมีหลายประเทศ เลาถวายข้าวสานถวายตะป่าถวายกระถิ่มีคนแย้งกันอยากนอาขสงกรถิ่นดีหรืตะป่าดีบาง่าตก็วัสดิต่าบางนาติสวัสดิ์กรถิ่บาง่านก็วัิกระถิ่นงกว่าตปาไม่ใช่อยู่ตรงนั้นอยู่ที่เจิดกัมนาของ่านบางคนทำบุญมากมายกายกองแต่ไม่ได้บุญเลยจิตไม่มีความสุขใจไม่สบาย น่าเหตุดายทานน่าจะช่วยได้ไหมแต่ทานไม่บำเพ็ญศูนย์เดี๋มาเพ็ญสุกภาวนาแล้วมันก็ไม่สามารถจะช่วยได้เชเดียวกันแล้วก็จะจ่าจึงต่อทำให้คด3สามวลาทานแล้วก็ศูนภาวนาทานแล้วลให้กันทั่วงไปเป็นธรรมดาแต่ศูนย์ปฏิบัตินี่จะได้ตัวเอง มือภาวนาขึ้นก็จะเกิดเมตตาจะให้ทานท่านอู่ใดก็เอาของดีให้ของเสียะจะไม่ให้ให้ดีก็ไปได้ดีตอบแทนมาให้ของเชื่อเขาไปก็ได้ของเชื่ตอตอบแทนมาถ้าทําให้เพื่อนเทศตามสงบเวการวาระแล้วก็มีอทานถึงอภัยนาถ้าคนไหนมือสญาสายน้ำใจงามประเพิ่มศีลด้วยงาถึงจ้างเอาคานออกหน้า ถ้าหากว่าอัศยาศัยไม่ดีไม่สนใจจะให้ทานไม่สนใจเม่ตาจะช่วยเหลือท่านผู้ใดเลยก็ไม่สามารถจะเข้าถึงองค์สูดาปจึงเอาทานออกหน้าไปอันดับหนึ่งขอที่พึ่งแห่งของโดอจิตเป็นจิตสอนมือสิงมีสมาธิจิตใจก็สะอาดหมดสดทานของข่านก็บริสุทธิ์เวทนาก็บริสุทธิ์ ภาวนาเขาหยุดเจริญปุเุผนภาวนาทานนั้นก็ได้ผลผลคันตาเพื่อการทำด้วยความตั้งใจทำด้วยสุดเป็นปุกุนทำด้วยอารมณ์ดีมีปัญญาไม่หวังผลจะแลกเปลี่ยนแา บ, บประาำได้เราสา ม, มารถให้ทานอันนี้ผุ้เชผนให้แสดิยามันดาปุยญาตายายหรือผู้ศรัตายจากโลกไปแล้วคือกัมเบรียภพ หรือท่านป่วยจะเป็นบุดามันดาปู่ย่าตายายที่จะเป็นญาติพี่น้อ ง, ท, องท่งเรียอ ก, การสายโดยสุดเรื่อวกัรประทามถวายทังฆทางใหเพื่อให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเวรในกรรมทาน้นอาจจะได้ผลในปัจจุบันถ้าจะเลีงกรรมฐานาด้วยแล้วทานจะเห็นขันธ์ตาในปัจจุบันนั้นเอง เราไม่สามารถมาเป็นศูนย์ศึกษาภาวนาได้ทานนั้นอาจจะลาคาอาจจะไม่ได้ผลทันทีแต่ประการใดศึกนี้เป็นกุศลมหากุศลมหากุศลศึกปาเกิดขึ้นกับดวงหักไทยใช้สะอาดมาได้ทานนั้นจะส่งผลทันทีในปัจจุบันในขณะนั้นศึกใจก็สบายศึกใจก็มีความสุขลาสจารุขุขสมมาปัจนาทุกประการ ขออนโมทนาสาธุการแก่ผู้บวดในธรรมปฏิบัติและยอมทุกถวายทั้งชางในอุตารนี้นะ่ะจงเป็นมหาภูทรบนบันไดที่ความตั้งใจมาต่างใจจะถวายชานาให้แกใครหรืผู้ทุถากดูดามันดาหรือผู้เปรย์หรือผู้ตจยากไร่อยู่ที่ไหนจะการใดหรือเจ้าเวรในกรรมเจ้ากรรมในเวร มารับเ่อนอุสทขรนบัดนี้ยักเคยพันเตสังเกื่องหนึ่งขบูชาพระพิฆเรส่วนที่สแขถึงพระสงฆ์่วนที่สามขอทิงถึงที่ทรงสูงทรงธรรมเพื่อปฏิบัติกรรมฐานก็ได้รับุญอนิเมธนาเ่องอุปสับใช้สอยเลื่อนตามคือประการทึ่ทงสี่นั่นเราจะขอทานอน้ถึงเตยบัดน เะื่วงรับไปยาวสุดก็ไม่จะแพ้จะมารับส่วนทานการอุทิศของท่านผู้บริจาคในโอกาสคันนี้เือนที่ห้าต่อไปขอเจ้าเวรเจ้ากรรมจงโอโหขิกรรมะเสียอย่าช่างเวรช่างกรรมต่อไปเลยจงลดเวรลดกรรมอย่าจองเวรจองกรรมกรรมนะกรรมด้วยการอย่าจองเวรจงกรรมกับกรรมใดบริจาคจิตใจ เสียสละความเชื่อจะเติร์ไปจะได้ไม่ีเวรมีกรรมมีภัยก่อตัวเองต่อไปตัวเองก็บริราาาบรสุทธิ์ลาจากมุ่งถึงโทษไปไหนก็สะดวกไปไหนก็สบายปลอดภัยชีวิตก็ขัดสนอาจจะมีอชื้นตึงติดตัวท่านไยคือทานสุลภายานาครบ3วันละจิตใจท่านจะได้เป็นมหากรุพรจะไปเกลดแห่งโขนกันบนใด ชาญทาี่ปฏิบัติทำได้ด้วยบริกาคทานด้วยเศรษละได้ด้วยเป็นทั้งชายยกเป็นทั้งชายิกาเป็นทั้งอุบาสกเป็นทั้งอุบาสิกาเป็นทั้งพิธีกรนเป็นทั้งวิทยาก ร, รถถเพิ่งเพื่องกระบวนการแล้วจะไปเหนือมาจะจะเกลือนแหงหมษ์บำรุงได้จะไม่ไปสู่อบายในโลกเกิดที่ละกายกับเลยถามแน่นอนที่สุด จะไปเกิดในถิ่นฐานบ้านในหมู่บ้านเศรษีมหาเศรษฐีจะดังมีชืสูงแต่ตายจะการที่สองจะไปเกิดแทนโหรตมบนใดประเทศถิ่นฐานใด้จะมียะวงสาคนาญาตเป็นนักลัทธเป็นบัณฑุตลอดะ ล, อนอนนนละการจะมีโลกมีหลายก็ยานอนสอนง่ายทุกระการจะการที่สามจะไปเกิดแทงโหรตมบนใด้มประเทศถิ่นฐานใดก็ตาม จะเต็มไปด้วยเวยประสา ท, ทาประศาสประทมพระาย์บาลอยู่ใกล้ชิดมีคนอุปการละมีคนช่วยเหลือตลอดกาลเวลาประการที่สี่นักนแหละจะไปเกอแ้งห้งนตะบนได้จะมือแต่มหาวิทยาลัยลการศึกษาให้รู้โดยศึกษาไลายเรียนและมีวิชาการในนาพตทการเบื้องหน้าศึกต่อไปประการที่ห้านั้นแหละ จะไปต่อแทงหน บ, บนดจะมีเครื่องครพบพร้พอมด้ยวยมนุษย์สมบัติพร้อมด้วยสวรรค์สบัตินิพานสมบัติอนาคตรสุดชั้นก็จะดูสบายปลอดภัยทั้งน้ําทั้งไฟเครื่องใช้บริขารเครื่องใช้การอานันใดมีครบเครื่องขบวนการไม่เดือดเนื้อร้อนใจจักจะตามไปจะทำอะไรก็ปลอดภัยไม่มีความเหือยจังไรในข้อสุดชั้น มีที่เพ่งทางจุตใจก็ได้มาจากฌ า, า, า น, าาานาสิณภาวนาโออัตโนทนาสาธุการแ่คณะเจภาพและที่เบื่อเนื้อธรรมะปฏิบัติในประพฤติศาสนาขอให้านทั้งหลายเข้าถึงพุทธธรรมเข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติได้ขอให้ปฏิบัติโดยสิทธิ์ต่อโ น, นเมื่อาายียงมันไปให้มันเสมอเต้นเสมอปลาคนทําได้มําดีมาได้ดีมันไม่มดีกาําปัง ความหมายของว่าทไม่เสมอจนเสมอปลายคําความดีถึกถานที่ทำความดีถึกตัวบุคคลทำสักคำความดีถึกการเวลาทำความดีไม่เสมอจนเสมอปลายจะทาเสมอจนเสมอปลายปฏิบัติกรรมฐานเสมอจนเสมอปลายท่านจะได้รับผลอนิสงส์สมากศาสนาดังเด็กชี้แกลงเทียนนาณบัดนี้ขออนุโมตนาขารุญการแก่ท่านทั้งหลายผู้เคยทำ ผู้ใครบุมขอให้ทุลหนุ่งอึดหนุนตูลเต้อให้ชีวิตท่านมีประโยชน์ในชีวิตในชีวิตมีค่าเวลาจะได้มีประโยชน์แต่ชีวิตของท่านทือมีค่ามีราคาแพงโดยทีอค่าราคาไม่ได้ว่าราคาเท่าไรไม่เหมือนเพชรนุ่งจินดาสตีราคาตามกลับอรือราคาตามหนักบาทเป็นปอด ชีวิตนี้ไม่เล่นแพนชีวิตนี้มีแต่แผ่นผังชีวิตนี้จะอยู่ได้ด้วยความจริญ่นฝึกฝึกจะเล่นลักษณะภาษาพรสบใจขอาการจะเล่นรุ่งเรืองจรงมีแต่ทั้งหลายขอที่ข่าทรงจะิญก็ด้วยอายุวันหน้าสุขภาพละปาิพ า, านพะงาชการเชนบัตรเมื่อเคยื่อหน่งประตามได้สมมาตรชนาด้วยการทุกข์ด้วยทุกนาำณโอกาสบัดนี้เชิญ ยะถ า, าวะริวะฮาผุราภรุปเนตูาคะลัง เ, เมะเมวะอิโตทินางเตจานางอุปกาตูอุขีตางปติต า, างกะกะะตุมหังยิเมวะสมิกตูจะเพเรนตูขังกัตาจันโทปนาละโศยาทานมานุททตุละเสยะา i o a d